หนิตามหน้าที่คือทํากรรมตามหน้าที่ทําร้ายจิตใจตามอารมณ์คือทําบาปตามอารมณ์ถ้าดูเผินๆจากอาการทางใจของผู้ถูกดุด่าว่ากล่าวก็จะเห็นเป็นความทุกข์เราเมื่ออัตตาถูกกระทบกระแทกย่อมรู้สึกเจ็บปวดหรือเมื่ออัตตาถูกย่อส่วนให้เล็กลงย่อมรู้สึกไม่ดี ไม่เหลือคุณค่าเมื่อทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ก็น่าจะต้องจัดว่าเป็นบาปไม่ใช่หรือข้อเท็จจริงคือบาปไม่ได้วัดกันว่าทำความเจ็บใจให้ใครหรือไม่แม้พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใจดีที่สุดในโลกท่านก็ไม่ได้เลี้ยงระสาวกแบบปล่อยประละเลยตามสบายตรงข้ามพระองค์ตรัสว่า ท่านเหมือนช่างปั้นหม้อที่ไม่อาจนุถนอมหม้อเปียกดิบแต่ต้องกระนาบแล้วกระนาบอีกจนกว่าจะได้รูปทรงที่ต้องการเราจึงเห็นบันทึกเหตุการณ์ในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าท่านทั้งบัญญัติกดลงโทษทั้งตำหนิติเตียนอ่อนอ่อนบ้างแรงแรงบ้างซึ่งก็แปลว่าการลงโทษหรือการตีเตียนยังคงเป็นเรื่องต้องทา ไม่ว่าจะใจดีขนาดไหนตราบเท่าที่ผู้คนยังกระทำผิดยังรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้แต่แกล้งทําเป็นไม่รู้กันอยู่ช่างปั้นหม้อขนาดหม้อแล้วแล้วเล่าๆด้วยเจตนาปั้นหม้อให้เข้ารูปงามฉันใดพระพุทธเจ้าก็ขนาดพระสาวกด้วยเจตนาให้ได้ถึงมรรคผลอันเป็นบร ม, มสุขฉันนั้น หมายเหตุผู้อ่านสําหรับเรื่องการลงโทษของพระพุทธเจ้านั้นให้สังเกตนะครับว่าจะไม่มีการทําโทษ ด, ด้วยการตีเคี้ยนหรือทําร้ายร่างกายนะครับเจตนาทําคนผิดให้เป็นคนถูกเจตนาเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีเจตนายกระดับจิตใจคนให้สูงขึ้นเมื่อเป็นตัวตั้งในการตําหนิติเตียนก็ยอมชื่อว่า เป็นกุศ ล, ลกรรมเป็นกรรมดีเป็นกรรมที่ถูกที่ควรแล้วแต่รายละเอียดในการลงมือดา่าก็นับเป็นความแตกต่างกันของกรรมการดุด่าว่ากล่าวด้วยโทสะแตกต่างจากการติเตียนอย่างมีสติการติเตียนยาวๆอย่างมีสติแตกต่างจากการเตือนสติด้วยคำทักสั้นๆการเตือนสติสั้นๆ แตกต่างจากการป้อนข้อคิดให้เก็บไปคิดกล่าวโดยย่นย่อยิ่งลงมือแบบผสมโทสะมากขึ้นเท่าใดยิ่งเป็นกรรมดีแบบร้อนร้อนมากขึ้นเท่านั้นแต่ยิ่งจัด ก, การแบบมีสติและปัญญาประกอบมากก็ยิ่งเป็นกรรมดีแบบเย็นเย็นมากผลของกรรมดีแบบร้อนร้อนคือได้ดิบได้ดีแบบที่อาจจะไม่เป็นสุข มีเรื่องจุกจิกก่อกวนอารมณ์ในที่ที่การผลิผลตัวอย่างที่เห็นได้ในระยะสั้นทันทีคือผู้ประพฤติผิดที่อยู่รอบตัวอาจทำตัวดีขึ้นแต่ก็อยู่กันแบบเกรงเกรงกลัวกลัวเหมือนมีกำแพงกัน้นรู้สึกได้ถึงสายตาที่หวาดเกรงระคนจ้องจับผิดอย่าพลาดก็แล้วกันเดี๋ยวจะเอาคืนบ้าง หรือไม่วันดีคืนดีก็แววเสียงลอยลมมาเข้าหูโดนตั้งฉายาแปลกๆแบบจับมือใครดมไม่ได้บ้างโดนดินทาว่าร้ายในเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างโดนกล่าวหาแบบไม่มีมูลแม้แต่น้อยบ้างส่วนผลของกรรมดีแบบเย็นๆคือได้ดิบได้ดีในแบบที่เป็นสุขมีความอิ่มใจ ไม่มีเรื่องจุกจิกกวนใจในที่ที่การเลิดผลตัวอย่างที่เห็นได้ในระยะสั้นทันทีคือผู้ประพฤติผิดที่กลับตัวยังคงให้ความเคารพนับถือรักใคร่อยู่หรือพูดเข้าหูเสมอว่าได้แง่คิดให้กลับตัวกลับใจอย่างไรสรุปคือความบาดเจ็บทางใจอาจไม่ต่างกันในคนที่กำลังโดนตำหนิ แต่กรรมของคนตำหนิต่างการที่เจตนาต่างการที่ผลลัพธ์อันจะตามมาในภายหลังแบบร้อนหรือแบบเย็นขึ้นกับรายละเอียดในการทำกรรมไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องดา่ารับผลของการดา่าจะได้ดีได้ร้ายเสมอกัน